Book 2 9เก้าสิบห้าเดวินเดสมเสันธานสองไซลวเธอไม่ทำงานตั้งแต่เมื่อไหร่โฮปสกูร์ลาอิกาวิเนเวอร์สเนสตร ตั้งแต่เธอแต่งงานหรือควบชิรเปรเซยุสิสใช่เธอไม่ทำงานอีกเลยตั้งแต่เธอแต่งงานยาวิญญาเวิร์สเนสตราดาควบิยุิตั้งแต่เธอแต่งงานเธอไม่ทำงานอีกเลยควบชิวิญญ r อิ e เปรเซยุว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 ค a d viņa ณ u n ā pa ā t ป l เ f o n u ฟ a นขณะขับรถหรือบรอดเซียนอะไรก็ใช่ขณะที่เธอขับรถอย่าคดวิญญาณบรอดเซอ t ์มอชีโน่เธอโทรศัพท์ขณะที่เธอขับรถวิญญาณรุ่น a าปาเตเลโฟโนคดบอมช เธอดูโทรทัศน์ขณะที่เธอรีดผ้า v i ņ u s k a t ā, at, ā, t t ā, t ā. s, s televizoru, kad ค l u d i n a เธอฟังเพลงขณะที่เธอทำงาน v i ņ a k l a u s ā s m ū z iku, um m i k ค k ด d ิ i l d a uzdevumus ดิฉันมองไม่เห็นเลยถ้าดิฉันไม่มีแว่น S ในควนยัน ดิฉันไม่เข้าใจอะไรเลยถ้าดนตรีดังเกินไปเอสเนก ne เนสปรูอุตย์เ i มูสิกเอิร์ติยดิฉันไม่ได้กลิ่นตอนที่ดิฉันเป็นหวัดเอ ne นกัวเนสอวัจุเยมันเอิร์เราจะนั่งแท็กซี่ถ้าฝนตก เมส ņ ามั m ตัก s ซเม t รุย a ล ī สเล i e ตุสเราจะเดินทางรอบโลกถ้าเราถูกลอตเตอรี่เมสอั j a ซลลุยัมปะซาอุลิยาไลเมยัมล็อตเตอรี่ยัมถ้าอีกเดียวเขายังไมมาเราจะเริ่มทานข้าวเมซซิมเอสยวดรสนบูส